I i> ที่มาเป็นปัญญาการศึกษาไทยว่าต้องสร้างให้คนพูดเป็นทําเป็นคิดเป็นน่ะกูสนแปลว่าฉลาดใช่ไหมคือทําให้ยังไงก็ได้ทําให้ตัวเองเกิดปัญญาเสมอทําให้ตัวเองฉลาดไว้เสมอนั่นหลวงพ่อเทียนเลยทําเรื่องนี้ว่าเจริญสติไปเลื่อให้เกิดปัญญาเดี๋ยวคุณทําอะไรก็ได้ไม่ต้องเจริญสติทําอะไรก็ได้ทําให้เกิดปัญญาที่เป็นสมาธิทีนะจะไม่ใช่เป็นปัญญามิจฉาทิฏฐิทุกวันนี้เราเดือดร้อนเพราะเป็นปัญญาที่เป็นมิจฉาทิฐิเอาปัญญาที่มาใช้เพื่อเอาเปรียบผู้อื่นเอาแรดเอาเปรียบผู้อื่่่นแแล้้้ววววสราาางงคมดีใหตตัเออ ช่วยคนอื่นนะแล้วเอารัดเอาเปรียบอต่างนี่เป็นปัญญาเหมือนกแต่เป็นปัญญา ม, มิจฉาทิฐิทําให้คนเองเสียประโยชน์ทาให้คนอื่นเสียประโยชน์แต่ถ้าเป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิทําให้คนอื่นได้ประโยชน์และทําให้ตนเองได้ประโยชน์ตรงนี้จะเป็นกุศลสู้ปะสัมปทานปัญญาแบบนั้นนะคำพูดถ้าพูดไม่เป็นนะคำพูดถูกกลายเป็น พูดผิดนะการกระทําบางอย่างที่ทําให้ให้เป็นเราทําให้เป็นของเสียหายเราคิดไม่เป็นก็ทําให้เกิดเข้าใจผิดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเรามาสร้างตัวกุศลแต่เราใช้ใช้ปัญญาโดยตรงเนี่ยมันคาบเกี่ยวนี่มันส่วนใหญ่พูดถึงปัญญา ม, มันมักจะเน้นไปทางอากุศลได้เป็นวิชาทิฏฐิเช่นปัญญาสีทนชยัยอย่างเงี้ยเนาะลักษณะอย่างเงี้ยดังนั้นจึงที่เรามาปฏิบัตินี้เพื่อให้เกิดปัญญาเท่านั้นจะดูหนังฟังเพลงก็ได้แต่ว่าขอให้เกิดปัญญาแต่ดูหนังฟังฟังเพลงส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเหตุการณ์ให้เกิดอะไร เกิดปัญหามันเกิดปัญหาเพราะฉนั้นแต่ถ้าเป็นตัวปัญญาสมาธิจะแปลงปัญหาให้เป็นอะไรเสมอเป็นปัญญาได้เสมอนะเพราะฉะนั้นการเจริญสติที่เรายกนี่เพื่ออะไรณวันนี้เราไม่สามารถจะตอบได้ว่าเพื่อให้เกิดปัญญาเพราะปัญญาเป็นเหตุและเป็นผลปัญญาเป็นผลเป็นเหตุของปัญญาคืออะไรก่อนที่จะถึงตัวเหตุของปัญญาคือเหมือนเราจุดเทียนขึ้นเล่มหนึ่งแสงสว่างทําให้ตามองเห็นใช่ไหมเพราะนั้น ตัวปัญญาคือดวงตาแต่ดวงตาที่ไม่มีแสงสว่างนี่มีประโยชน์ไหมมองไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างแสงสว่างขึ้นมาเพราะทุกคนมีดวงตาอยู่แล้วใช่ไหาแสงสว่างแสงสว่างคือความรู้สิบ ต, ตัวแต่ถ้าแสงสวาง่างนี่มันไม่นิ่งเนี่ยมันจะทําให้มองเห็นถนัดไหมเช่นเวลาเราจุดเทียนไขแล้วก็มีลมพัด ไ, ไปพัดมาวอกแวบหรือมีไฟมันกระพริบแต่ละเวลานีมันส่ายมันกระพริบต่ละก็ไม่นิ่งเพราะฉะนั้นตัวนิ่งของแสงเป็นสมาธิตัวแสงสว่างคือตัวสติและสัมมชัญ ญ, ญาตัวปัญญาคือสิ่งที่เราคูขุดเป็นทําเป็นคิดเป็นเพราฉะนั้นปัญญา เป็นผลแตะเหตุก็คือสัมปชัญญะและสมาธิสัมปชัญญะก็ให้เกิดสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็ให้เกิดปัญญาสมาธิฏิเพราะฉะนั้นเรามาฝึกตัวสติสัมปชัญญะสัมมาสตินะที่มาฝึกสัมมาสติที่เราจะรู้ได้ไงว่าไหนเป็นสัมมาสตินัยเป็นมิจฉาสติถ้าเป็นมิจฉาสติก็จะออกมาเป็นมิจฉาปัญญาเหมือนกันเป็นปัญญาเห็นแก่ตัวแต่เป็นสมาธิฏิเขาจะออกมาเป็นสัมมาปัญญาที่นี้เราฝึกนี่เราจะรู้ได้ไงว่า เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาสติหรือเป็นมิจฉาสติราะมีข้อจำกัดอยู่สี่สี่ความหมายที่ปัญญาจะเป็นสัมมาสติสติได้หนึ่งจิตที่ตระหนักรู้ แต่รู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายเท่านั้นอย่างที่พูดไปตอนเช้าตาเห็นหูนได้ยินเท่าไหร่เท่านั้นไม่คิดเกินเลยกว่านั้นจมูกได้กลิ่ น, นริมริมรดกายสัมผัสจิตรู้ก็ให้รับรู้เท่าที่มันมีอยู่เรียกว่าก า, วากายสัตว์แต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเพราะกายนี้เป็นที่ตั้งของสุขหรืเอเป็นที่ตั้งของทุกขเวทนาให้เห็นอย่างนี้นะถ้าเป็นที่ตั้งของสุขเนี่ยเราก็จะแสวงหาสุขตลอดเวลาก็ไม่ใช่สติปัฏฐานนะแต่ สแสวงหาทุกตลอดเวลาก็ไม่ใช่สิ่งผแต่สแสวงหาวิธีการบรรเทาทุกบำบัดทุกทุกใ น, นร่างกายมีแต่บรรเทาและบำบัดเท่านั้นนะแต่ไม่สามารถจะตัดได้เด็ดขาดได้เพราะมันเป็นทุกโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นสแสวงหาวิธีการบำบัดและบรรเทาทุกเห็นอย่างนี้ถูกนะอันที่สองเวทนามีสามคือสบายไม่สบายและก็ไม่แน่ไม่ใส่ใจก็ได้ก็ให้รู้ทั้งสาอย่างเหมือนกันอันนี้สบายก็รู้ว่าเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นไม่สบายนะ พอเปลี่ยนไปนไม่สบายฉันก็ต้องเปลี่ยนนะไอการเปลี่ยนระหว่างสบายไปสู่ความสบายจุดเปลี่ยนตรงนี้ถ้าเราได้ตระหนักรู้ทุกครั้งตรงนั้นเป็นสัมมาสติสัมมาสติเกิดขึ้นตรงนั้นจุดเปลี่ยนนะแล้วอันที่สามคิดระหว่างความคิดกับไม่คิดระหว่างคิดกับไม่คิดถ้าหากว่าในขณะนี้ถามว่าคุณกําลังคิดอะไรไม่ได้คิดอะไรแล้วคุณใจคุณ รู้อะไรอยู่เห็นอะไรอยู่เข้าใจกำลังฟังฟังเราเข้าใจจิตที่รู้และเข้าใจกับจิตที่คิดเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันหรือคนละเรื่องจิตที่กำลังรู้อะไรอยู่ตามความเป็นจริงตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นตัววิจัยเป็นตัวรู้นะ เป็นตัวรู้เป็นตัว knowing นะไม่ใช่เป็นตัว thinking นี่ถ้าหากว่าเรารู้เอาขนาดนี้มันมีความคิดบางทีนั่งฟังอยู่จิตมันรอยไปขา้างไหนวันนี้ได้ข่าวว่าถ้าจะยึดโทรศัพท์ก็ฉันมีนัด ก, กับหมอฉันจะทำไงจะออกรูปไหนในกลางคิดอยู่น่ากังวล น, นะ ห, หาวิธีไงไม่ส่งโทรศัพท์เพราะว่าต้องส่งโทรศัพท์ณนะที่ลงทะเบียนนะส่งเรียบร้อยอย่างเรียบร้อยแล้วนะคนไหนไม่ได้ส่ง ถ้าหลวงพ่อดีเสียงหลวงพ่อก็จะยึดเลยนะทีนี้คุณต้องเสียเสียค่าไทยแล้ววันนี้ <c oughs> ของพ่อคขาเยงะเรเก็บหพราะเราป้องกันการรบกวนของสื่อข้างนอกที่เรามาเรามาปฏิบัติเนี่ยมีมารติดตามเราอยู่เจ้ากรรมในเวทติดตามเอาคืนอยู่เพราะนั้นเขาจะมากลัวเราแต่วเวลาเพราะฉะนั้นเราก็ตัดทางมารด้วยการตัดการสื่อสารออกไปก่อนแล้วนั่งปฏิบัติอยู่ดีๆเนี่ยโอ้ไม่ได้เนี่ยเจ้านายถามหามาด่วนเลยนะทาไมมาด้วเธอเธอโดนดอกงานแน่เลยงานนี้โอ้โหเดือดร้อนเนีอยู่ไม่ได้เราต้องไปหรือบางทีวันได้สองวันอันนี้ คุณพ่อเป็นลมเข้าลงพยาบานที่มาไปละเจ้ากรรมนายเวรเขาตามหาแต่ถ้าหากว่าไม่คืนโทรศัพท์โดนแบถ้าคืนทรศัพท์เหตุการณ์อนี้ย็จะไม่เกิดเหมือนกันนะเพราะเจ้ากรรมนายเวรไม่ตามเอาตัวไปกลับคืนไปนั่นั้นเอาเก็บโทยศัพท์ด้วยเหตผลอันนี้น่ะเพื่อป้องกันการรบกวนของกระแสภายนอกเอาล่ะเอมันแฉลอบออกจากนอกทางได้ไงเมื่อกี้ว่าในกายของเราที่มันคิดกับไม่คิดเ น, นี่ยให้รู้ ว่าเอาไ๊ไม่คิดมือนไม่คิดตอนนี้เรารู้รู้ว่ากําลังพูดอะไรกําลังเข้าใจว่าอย่างไรรู้ตัวรู้นื้อรู้ตัวก็ ล, ลึกถึงกาย ล, ลึกถึงเวทนาอยู่จิตก็รู้อยู่อะไรคิดหรือไม่คิดกันณะนี้รู้อยู่และอารมณ์ขณะนี้ตัดบอกตัวเองได้ว่าอารมณ์สบายหรือไม่สบายอารมณ์ดีหรือไม่ดีลามหงุดหงิดโมโหอึดอัดขัดเคืองอุดหงิดลาคาญหรือเบื่อเซ็งหรือว่าสุขทุกข์สบายไม่สบายเราสามารถตรวจสอบเห็นชัดได้ในขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้ลักษณะรู้ทั้งสี่ประการนี้เรียกว่าสัมมาสติหนึ่งรู้กายว่าเป็น ที่ตั้งของทุกและกำลังบังบบรรทุกอยู่อย่างรู้เนื้อรู้ตัวสองเวทนานี้เป็นที่ตั้งของความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบแล้วก็จัดการเอาความชอบนั้นให้ออกไปโดยรู้เนื้อรู้ตัวสามรู้ว่าจิตกำลังคิดหรือไม่คิดคิดเรื่องอะไรและไม่คิดเรื่องอะไรกําลังรู้เรื่องอะไรหรือไม่รู้เรื่องอะไรเข้าไปตรวจสอบจิตปกติเป็น ส ม, มาสติอันที่สามและขณะนี้สามารถตรวจสอบอารมณ์ได้ว่าตัวเองรู้สึกโปร่งเบาสบายหรืออื่นอาดขัดเคืองแล้วเห็นภาวะจิตผองใสหรือเศร้าหมองเศร้าหมองหรือผองใสหรือวุ่นวายหรือสงบเห็นอาการของจิตได้ชัดตัวนี้เป็นส ม, มาสติประการที่สี่นี่มันก็จะประกอบด้วยสี่อย่างนี้ส่วนจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็อยู่คึ้ความชัดเจนของอาการทั้งสีประการทั้ง ก, กายเวทนาจิตและอารมณ์หรือธรรมารมณ์นะ่ อันนี้ก็คือในส่วนที่เราจะต้องนำไปใช้ดังนั้นการเคลื่อนไหวไม่ว่ายืนเดินนั่งตอนกลาวันนี้เอาแค่สามที่บทก่อนเนาะอี่บทที่สี่เอาไว้ใช้กลางคืนนะรวดเดียวเลยจเจริญสติตลอดหกชั่วโมงตั้งแต่สามทุ่มถึงตีสามนี่นะหกชั่วโมงจเจริญสติให้เต็มที่เลยว่างั้นอนให้หลับ <laughs> แต่คุณนอนหลับไม่สนิทก็รูว่าไม่มีสตินะนอนคิดไปคิดมาพลิกไปพลิกมาไม่นอนไมนหลับเพราะสตินะสติยังเจริญไม่เป็นนะถ้าเจริญสติให้เป็นก็คือเวลานอนพระคุณก็อย่าไปคิดเรื่องเนื้เรื่องใต้เรื่องซ้ายเรื่องขวาเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องถูกเรื่องผิดดูอาการลมหายใจเข้าออกยาวๆเล่นๆไปสักพักหนึ่งอีซีแล้วสงบมันก็หลับสบายเมื่อหลับก็เราได้ภาวนาทั้งคืนเจริญอานาปนสติเรามีแตได้กับได้ตามลมหายใจเข้าออกได้อานาปนสติด้วยแล้วก็ได้นอนหลับสบายด้วยแต่ถ้าคนไหนลืมก็ นอนกระสับกระสายย้ายไปย้ายมามันก็จะทําให้เรานอนหลับไม่สนิทเดียวก็ฝันพรุนี้นตื่นสายกังหางนะกลางวันก็ง่วมมันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้คือส่วนที่เราได้ศึกษารวมกันนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เหลือเวลาอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงอยากจะให้เดินสักสินาทีแล้วนั่งสร้างจัวะสิบนาทีตามที่สาธิตมาเมื่อกี้นะจะเอาไหนก่อนระหว่างนั่งกับเดินนั่งก่อนเลยเดินก่อนนั่งก่อนเนาะ นั่งการุณาหันหน้ากลับไปทางนู้นรับแสงสว่างเพื่อจะได้ไม่ง่วงง่ายเลินไปจะนั่งในท่าไหนก็ตามนะทั้งหมดมันเรื่องการต้นายจะเป็นการสาธิตวิธีการนั่งนะตอนนี้เรานั่งท่าไหนก่อนก็ได้นั่งท่าที่สบายก็แล้วกัน